พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นพึงมีสติสมบัตัญญะรู้ตัวอยู่ตนนั่งอยู่อย่างไรตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้ ว่าตนนั่งอยู่ตนวางมือวางเท้าไว้อย่างไรก็รู้ว่าตนวางมือลางวางเท้าไว้อย่างนี้ความกำหนดรู้ในเบื้องต้นนี้เป็นการควบคุมจิตไม่ให้ ส่งไปไกลให้มากำหนดกำหนดรู้อยู่ที่อวิยวะร่างกายนี้เมื่อรู้อยู่รอบร่างกายอันนี้แล้ว mm. ก็จึงค่อยน้อมสติระลึกเข้าไปภายในให้ไปกำหนดรู้ อีกทีหนึง่งเมื่อจิตมีสติยังเข้าไปถึงแล้วมันก็จะหยุดคิดมันจะไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปอะไรจิตนี้จะตั้งอยู่ได้สงบอยู่ได้เพราะอาศัยสติดังนั้นเน่อย่าพากันละเลย ธรรมดาจิตใจนี่นะมันยึดถือสิ่งได้ไว้แล้วมันก็ชอบวิตกวิจาร์ไปในเรื่องนั้นๆก็มันเป็นอย่างนี้แหละปฏิการภาวนาเราห้ามไม่ให้มันคิดมันเอาสติเข้าไปควบคุมไว้เพราะว่าการคิดเลื่อนลอยไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่ตัดทรนปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นในความคิดที่เลื่อนลอยเนี่ยมันเป็นงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มันตั้งมั่นลงไปจริงจริงจนมันไม่อยากคิดอยากนึกไปในเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหมดแล้วมันอิ่มหมดเลยทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า มันเห็นความคิดความนึกนี่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่มีแกนสารอะไรเลยไม่มีตัวมีตนอะไรแต่ว่ามันก็มีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะความคิดนี่ก็ดีเมื่อคิดในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะ มันก็ร้อนใจรำคาญใจเดี๋ยวก็ขับแค้นใจสุดแล้วแต่เรื่องที่มันคิดขึ้นนั้นมันย่อมจิตให้เป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงว่ามันมีโทษความคิดที่ไม่ ได้กลั่นกรองไม่ได้สํารวมคิดแบบไม่มีสติเห็นโทษของความคิดอันไม่ได้กลั่นกรองอย่างว่านี้ล้วก็จึงว่าต้องหยุดคิดซะก่อนวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไว้ให้มันเป็นปกติกายก็เป็นปกติใจก็เป็นปกติ เรว่าใจเป็นปกติคือมันไม่คิดอ่านอะไรต่ออะไรนั้นมันมีแต่รู้อยู่เฉยๆนี่นะนั่นน่ะเรียกว่าใจเป็นปกติร่างกายก็ในขณะนี้ก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่กระวนกระวายไม่ฟูนพันอะไรเมื่อใจนิ่งแล้วกายมันก็นิ่งด้วย เมื่อใจมันวันไหวมันเคลื่อนไหวร่างกายนี่มันก็เคลื่อนไหวไปตามมันอย่างที่เราสังเกตเห็นตัวเราหรือตัวคนอื่นเหมือนกันถ้านั่งอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อจิตใจมันคิดพุ่งไปนู้นไปนี่กายมันก็เมืกก่鬼ไปตามนะอ่างนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวไปตามไม่มากก็น้อยอยู่งั้นแ่ละ เรี้ยวนุ่นเรี้ยวนี่จับนุ่นวางนี่อยู่นี่สอดแสดงถึงกิิยาของจิตเนี่ยมันไม่สงบระ ง, งับ ม, มีอาการเคลื่อนไหวจากความคิดความนึกอยู่ภายในดังนั้นกายมันจึงนิ่งอยู่ไม่ได้เลยผู้ที่มีนั่งอยู่ร่างกายมันนิ่งอยู่ได้นี่ แสดงว่าจิตมันสงบอยู่ภายในมันไม่ครุงไม่แต่งอะไรเหตุนั้นร่างกายนี้จึงค่อยนิ่งอยู่ได้ต้องพิจารณาต้องพิจารณาสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนมันจึงรู้ได้เรื่องหมนีนะ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องทำจิตให้สงบเพราะว่าทำของจริงมันย่อมเกิดจากความสงบถ้าหากว่ากายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบแล้วเราก็จะได้แต่ทำของปลอมเท่านั้นแหละทางของทำของจริงไม่พบหรอกอเพราะว่าเมื่อ จิตวันไหวอยู่ก็ชื่อว่ามันไม่จริงแหละมันไม่จริงจังต่ออะไรอะไรทั้งหมดเลื่อนลอยอยู่นั่นถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งลงไปเช่นนี้แน่แสดงว่ามันต้องการความจริงเพราะความจริงมันมีอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสอง ดังนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มีหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองเลยนี่มันก็เป็นแนวทางที่จะให้ได้บรรลุสัจธรรมของจริงโดยแท้จริงให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั้นก็จะรู้จริงขึ้นมาได้ไม่มีอไม่รู้ จิตจะรู้ธรรมของกิ่งได้เมื่อจิตตั้งมั่นไม่วันไว้อยู่ในปัจจุวันนี้เท่านั้นแหละแล้วจิตท่องใสด้วยท่องใสเบิกบานไม่ทุกข์ไม่โศกไม่คับแค้นอะไรทั้งหมดจิตอย่างนีนะ้จึงเป็นจิตที่สมควรจะพิจารณา หรือจะบรรลุธรรมของจริงได้หรือจะพิจารณาธรรมของจริงได้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีสี่อย่างหนึ่งทุกสองสมุทัยคือเหตุได้เกิดทุกสามในโรธคือความดับทุก four มันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ธรรมของจริงเนี่ยมีอยู่สี่อย่างนี้เองนะขอให้พากันเข้าใจทุกข์ก็มีจริงมีอยู่ในกายอยู่ในใจนี่ทุกคนก็ย่อมรู้ดีแต่ว่าไม่รู้จริงรู้รู้เฉยๆแต่ไม่รู้เท่า เมื่อมันเจ็บมันปวดมาก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดแต่ไม่รู้เท่าไม่อดไม่ทนปล่อยใจให้วันไวไปตามนี่ถึงเรียกว่าไม่รู้เท่าร่างกายมันแก่มันชำรุดสุดสมตามันมัวหูมันออก็วนเสียอกเสียใจไม่สบายใจเพราตามันมัวมองอะไรก็ไม่เห็น ก็หูมันอื้อฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดก็เมาแต่เสียใจให้การสุดโทรมของร่างอวัยวะร่างกายต่างๆดังกล่าวมานี้มื่อเลยบัดนี้ก็กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ที่นี่นะอันเนี้ยใจไม่รู้เท่าดังนั้นเนะ่ะเมื่อ ผู้ใดมาพิจารณาเห็นแล้วว่าทุกข์นั่นก็เกิดจากขันหา้าเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงมันมันก็ทนไม่ยากทนได้ยากกวนไหวไปมากระทบกับจิตนี้จิตนี้ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตนี้รู้แจ้งว่าทุกข์คือขันห้านั่นมันไม่ใช่ของเรา เช่นนี้แล้วมันก็จิตก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่ของเรานี่มันแต่ว่ามันมากระทบจิตนี้เฉยเฉยก็จิตได้อาศัยอยู่ในขันห้าอยู่ในของไม่เที่ยงนี้วันนี้เรามาทำความรู้เท่าแต่ก่อนไม่รู้เท่าวันไว้เสยียใจเศร้าโศกไปตามทุกข์เหล่านี้มาวันนีเ้เราจะไม่เศร้าโศกเสยียใจ เราจะไม่ทุกข์ไม่รอนกับขันห่านี้มันจะแปรปวนไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่ต้องต้องรู้จักคำว่าจิตก่อนนะมันจึงไม่วันไหวได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละการทำจิตให้สงบเป็นสมาธินะี่คือการทำความรู้ตัวของตัวเองนี่แหละความความจิตรู้จิตหมายก็ว่ า, างั้นแหละ เมื่อจิตรู้จิตนี่แล้วจิตนี่แหละกาหนดรู้เท่าทุกบนี้จิตรู้เห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเมื่อวังคับไม่ได้เราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมก็ปล่อยวางตามสภาพของมันใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ว มันก็ปล่อยวางทุกข์วะเ น, นี่ก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางทุกข์ก็คือปล่อยวางขันหานั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอ้ทุกข์นั่นละไม่ได้ละได้แต่ส ม, มุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่จิงโยทุกข์ละไม่ได้ แต่ขันห้านี่ปล่อยวางได้เมื่อมีขันห้านี่อยู่ตราบใดทุกขลักษณะลักษณะของทุกก็มีอยู่อย่างนั้นแค่นี้เมื่อปล่อยวางขันห้าลงไปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็เท่ากับว่าปล่อยวางทุกนั่นเองอดังนั้นให้พากันเข้าใจ ในเมื่อขันห้านี่มีอยู่อย่างไรทุกมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละมันละละปล่อยวางที่จะให้ทุกนี่มันดับไปจากขันห่านี่มันดับไม่ได้เมเ่อนเสียแต่ท่านผู้เข้าในโรธสมาบัติได้เท่านั้นแหละจิตนี้จึงไม่สัมผัสกับทุกในขันห่านี้ ถ้าจิตยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้แล้วก็ได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะให้พากันเข้าใจว่าไอ้จิตนี่เมื่อมันฉลาดมันรู้ว่าขันหน้านี่เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางตามสภาพ เมื่อมันแปลปรวนกระทกระทั่งกับจิตก็อดทนเอาเพราะว่าขันหานี่กรรมที่ทำมาแต่อดีตท้องหลังมันยังรักษาอยู่มันยังไม่หมดเหตนั้นจะไปชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนมันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นกรรมเป็นเวรพอได้มารู้อย่างนี้แล้วแม่จะทุกข์ลำบากอย่างไรอย่างไร ก็อดกั้นทนทานได้อืเนี่ยแหละเราฝึกหัดอดหัดทนไปตั้งแต่เนิ่นๆแต่ยังไม่เจ็บนักเช่นเราหัดนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเอา้ามันนั่งนานไปมันเจ็บมันปวดขึ้นก็อดทนลองดูอ่ะเอา้าเมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็ยิ่งทุกข์หลายกว่านี้ ถ้าไม่อดไม่ทนไปแต่นี่แล้วเวลาโรคภัยกเขี่ยบเบียดเบียนหนักเข้าก็จะไม่อดไม่ทนกระจะเศร้าโศกเสียใจวันไหวไปมาเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นก็พ้นทุกข์นี่ไปไม่ได้พ้นขันห้าไปไม่ได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ใดอยากพ้นจากทุกขต้องอดทน สรุปแล้วนะท่องอดทนต่อทุกในขันห้าจะเมื่อขันห้ามันวิบัติแปลปวนก็จะไปเสียใจดีใจกับขันห้านี้เพราะมันไม่ใช่ของเราเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุงกันโยแต่แต่มันมีจิตอาศัยอยู่ภายในนี่มันจึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ เดือดร้อนอะไรต่อใดแต่ถ้าไม่มีจิดตดวงนี้ครองอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้มันจะไม่แสดงอาการหันไว้อะไรเลยมันมันก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละไอ้คนตัดมันมันก็ไม่ กระวนกระวายอะไรมันไม่ร้องไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยเตัดจนขาดมันล้มลงก็ล้มลงอยู่ น, นั่นแหละก็อยู่เฉยๆไปอย่างนั้นเนี่ยในสังเกต ด, ดูนี่แหละเมื่อมันไม่มีจิตครองอยู่ที่ไหนแล้วที่นั้นไม่มีความวั่นวืม ไอ้ใครที่ร่างกายจะวันไหวไปมาอยู่นี่เนื่องจากว่าจิตนี่เองเนี่ยจิตนี่มันกระทบกับขันห้าอันนี้แล้วมันวันไหวจิตวันไหวแล้วกายก็เลยวันไหวไปด้วยเอมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะดังนั้นได้พึงทําความรู้เท่าขันทั้งห้าอันนี้ตามความเป็นจริงก็เท่าก็รู้เท่าทุกข์แล้ว เมื่อจิตไหววันไหวกับขันหานี่แล้วก็ชื่อว่าไม่วันไหวกับทุกข์บันีิตันหาความอยากให้ธาตุสี่ขันหานี้มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากให้เกิดทุกขเวทนาต่างๆหมดนี่นะอันนี้มันก็เป็นตันหาให้เข้าใจ ความอยากในทางที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็เป็นตัญหาอหนึ่งเพราะว่าแม้จะอยากอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังขันห้านี้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราไม่ต้องอยากให้มันหายหรือไม่อยากเมื่ออยากไม่ให้มันหายไม่ต้องว่าแล้ว เรากาหนดรู้เท่าตามธรรมดาไปาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นหละมันจะแตกก็แล้วแต่มันมันจะดับก็แล้วแต่มันจะไม่แตกไม่ดับก็แล้วแต่มันเพราะว่าคำทั้งห้านี่มันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นลงเมื่อใดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายลงไป กองอยู่พื้นดินถ้ า, าว่าไม่มีใครเก็บนะก็ไม่มีความหมายอะไรเลยบ่านี้นะก็นอนทอดอยู่บนพื้นอย่างนั้นเนี่ยใครจะทุบจะตีใครจะฟันจะแทงอย่างไรก็ทําลงไปมันก็เหมือนกับเราไปตัดท่อนกล้วยหรือตัดต้นไม้นั่นเองไม่มี เดืร้อนอะไรเลยอืดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าดวงกิดนี่สําคัญมากอืมดังนั้นคึงมาฝึกกิดนี่อย่าให้มันอยากแบบ น, นี้นะอย่าให้มันอยากเป็นนู่นอย่าให้มันอยากเป็นนี่อย่าให้มันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ จนเกินขอบเขตเมื่อเมื่อฝึกกิตให้ลดความอยากลงได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นเหตุให้ใจนี่แหละเป็นทุกข์นะไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นเป็นทุกข์ เพราะร่างกายมันก็อย่างว่านั้นประกอบไปได้วยธาตุหันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากมันไม่รู้จากทุกทุกไม่รู้จกักสุขอะไรหรอกความจริงมิได้จิตตรงนี้นะสัมผัสกับความทุกข์กับความวันไหวต่างๆของร่างกายนี่แล้วก็สมมุติกนก จิตเป็นทุกข์อย่างนี้นะดังนั้นแหละเมื่อรัความอยากเอา้ามันจะเป็นมันจะแปรปวนมันจะวิบัติไปอย่างไรขันห้านี้ก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่ใ่ของเราเราบังคับไม่ได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วกดกวางอุบเบกขาลงตัวขันห่านี้ยุดติความอยากความ ปรัถนาให้ขันห้าเป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้ต่อไปบ่เนี่มีแต่ากาหนดรู้เท่ามันอยู่ยงั้นรู้แจ้งตามไม่จริงมันแปลปวนก็รู้ว่ามันแปลปวนอ ม, มันเจ็บต้นปวดนี่ก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดแต่จิตไปหวั่นไหวกดทนจิตอดทนนะจึงได้เรียกว่ารู้เท่าอืม ถ้ารู้แล้ววันไหวชื่อว่าไม่รู้เท่าถ้ารู้ว่าเจ็บนอนปวดนี่แล้วก็เสียอกเสียใจอย่างนี้นะกลัวร่มกลัวตายอย่างนีนะ้นั่นชื่อว่าไม่รู้เท่าทุกข์แล้วก็ไม่ได้ละตันหาไม่ได้ละตันหาอันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนเหตุท่านจิตนี้ถึงได้เป็นทุกข์ ก็เราต้องทำความเพียรทางจิตใจอย่างนี้แหละอย่างที่นั่งภาวนาอยู่นี่นะนั่งไปมันเจ็บมันปวดกดใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปว่าขันหน้านี่มาใ่ของเรานะอย่าไปหวั่นไว้กับมันอย่างนี้นะ อ่าถ้าไปวันไว้ก็มันจิตนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าไม่วันไว้จิตนี้ก็ไม่มีทุกข์ก็ปัญญาสอนจิตก็เป็นอย่างนี้แหละให้เข้าใจถ้าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้วจิตนี้จะไม่รู้เท่า จะไม่อดไม่ทนเลยต่อความแปรปวนของธาตุสี่ขันหานี้ดันันให้พากันเข้าใจแล้วอดเราทนมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่มันไม่เป็นอย่างมันไม่เป็นอะไรนะเพราะถ้อดทนลงไปแม่มันจะรู้สึกเจ็บปวดเผ็ดร้อนอย่างไร จิตนี่มันก็ไม่แตกไม่ดับหมายก็ว่ า, างั้นนะป้ะอดสู้ทุกขเวทนาไปมันก็ไม่สูญไม่หายไปในอกความรู้สึกอันนี้นะมันอยู่คงที่อยู่เนี่ยเมื่ออดกั้นทนทานเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเวทนาเหล่านั้นมันก็ค่อยระ ง, งับไประ ง, งับไป ไม่ใช่ว่าอดทนเท่าไรยิ่งทุกข์หลายขึ้นไปเท่านั้นไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ทุกทวีคูณไม่ใช่อย่างนั้นเวทนามันจะเบาลงเบาลงเพราะจิตไปยึดถือขันห้าไม่ไม่ยึดถือไ ม, ไ ม, อไม่มันรู้ว่าไม่ใช่ของเรา มันจึงไม่หวั่นไหวจึงอดจึงทนเอาได้เหตุผลเป็นอย่างนี้ไอ้จิตที่มันสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันยึดถือว่าเป็นของเรามันหวงมันเสียดายเมื่อมันแปลพวนไปกลัวมันจะแตกกระดับจึงได้ทุกข์จึงได้หวั่นไหวจึงได้สะรุ่งหวาดกลัวเพราะฉะนั้นไอ้พึงพากัน ทำความเพียรทาง จ, จิตใจหัดอดหัดทนต่อทุกขเวทนาให้ได้พอเมื่อเราไม่ทำความเพียรในเวลานี้เราจะไปทาเวลาไหนหระเราไม่อดไม่ทนในเวลานี้เราจะไปอดทนเวลาไหนทุกมันก็ไม่ห่างจากจิตใจสักทีเลย ถ้าเราไม่หัดอ ด, ดทนทุกมันก็ติดสอยห้อยตามดวงกิจไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยอ้าวในเมื่อขันนี้มันแตกดวงกิจละรูปนามอันนี้ไปก็ไปได้รูปใหม่นามใหม่เข้ามาอีกเมื่อรูปนามเหล่านั้นมันวิบัติแป้พวนก็เป็นทุกข์ไปทำมันอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไปในท บ, บทบุตรธรรมเช้านะนะั่นน่ะว่าปัญจุปาดาคันธาดุ้านี่นะความเข้าไปยึดมั่นถือมาในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นทุกรวบยอดอบรรดาทุกทั้งหลายมันก็หลังไหลรวมเข้ามา สู่ดวงจิตที่ยึดมั่นถือมาในขันห้าววาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้แหละนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อพึ ก, กจิตใจให้ปงให้วางขันห้านีลงทุกดับไปจา ก, ก จ, จิตใจก็เกิดงานความรู้ว่าทุกดับ อย่างนี้นะก็เกิดยานความรู้ขึ้นว่าทุกดับจากจิตนี้แล้วอย่างนี้นะก็รู้ด้วยตนเองแหละคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยอเป็นอย่างนั้นการที่บุคคลจะมาดับทุกข์ทางใจได้อย่างว่านี่นะก็ต้องมีความภาคเพียรพยายาม สัมรวมในศีลปัดมาให้มั่นคงอย่าให้อยาู้อำนาจแก่ตันหาอย่าล่วงเกินศีลอย่าให้ศีลมันขาดมันด่างพ้อยอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อบาปเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ใจเศร้าหมองก็เป็นทุกข์นี่เดืองมันนะแม่ขันหน้านี่มันไม่วิบัติแปรปรวนมันก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าให้บาปครอบงามจิตใจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการทําบาปมันให้ผลในปัจจุบันก็คือให้ผลทางจิตนี้เองเนะี่ยถ้าไม่จิตนี่เป็นทุกข์ตอนได้ยากลําบากงนั้นเนี่ย ดังนั้นเมื่อเรารักษาสินในบริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้บาปไม่เกิดแล้วจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะบาปกรรมนั้น เ, ออเพียงทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมัน่นให้สงบลงไปจากนิวรณะธรรมทั้งห้าคือ อย่าให้จิตมันหลงรักหลงใครไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่าให้ใจมันหลงเกลียดชัง อ, อบุคคลหรือสัตว์ที่รู้สึกว่าหน้าเกลียดหน้าชังอย่างนี้ก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่ารูปที่เห็นด้วยตานั่นแหะ มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรที่น่ารักน่าชังเลยก็ให้พากันเข้าใจแม้ว่าการเราทำสมาธินี่มันจะทุกข์จะยากลำบากในขณะทำเบื้องต้นก็อย่าไปหวั่นไหวทุกข์ก็เอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละถ้าบุคคลไม่เอาทุกข์เป็นคุณทุนก่อนแล้ว จะไม่พบความสุขอันเป็นแก่นสารเลยเพราะความสุขอันเป็นแก่นสารนี่ต้องอยู่เหนือทุกเหล่านี้ถ้าเราไม่อดกันทนทานต่อทุกปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตอยู่อย่างนี้จิตก็ไม่ได้พบความสุขอันเกิดจากความสงบหรือความสุขอันเป็นแก่นสารเลยก็เป็นอย่างนี้และให้พิจารณาดู ก็จะมีแต่ทุกข์นั่นแหละติดตามจิตไปเกิดปาชาติได้ก็ไม่อดไม่ทนไม่ภาวนาภาวนาไม่ได้เพราะทนต่อความเจ็บความปวดไม่ไหวถ้าฝึกฝึกฤทธิ์ใสใจคอให้เป็นอย่างนี้ไปอูจะมันกี่ชาติมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เลยให้เข้าใจ มันจะเกิดสักกี่ชาติก็ดับทุกไม่ได้ทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่อดทนต่อความทุกข์อย่างนี้นะจิตใจวันไหวต่อทุกขเวทนาอัางสารอี้แล้วไอความโมโหโทโศอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้นะใครมาพูดจาไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธเอาแล้วก็เป็นปัจเหตปัจจัยให้สร้างบาป กำขึ้นมาใส่ตัวของตัวเองอีกแล้ว ม, มันเป็นอย่างนี้นะให้คิดดูให้ดีดังนั้นนะอาพีนาเห็นโทษแห่งความอ่อนแอทอดแท้ความไม่อดไม่ทนในการทำสมาธิภาวนาหรือความไม่อดไม่ทนต่อคา ด, า, าด่าว่าเสียสี ต่างๆอย่างนี้นะมันมีโทษมีทุกข์ให้เตือนตอนให้รู้อย่างนี้ถ้าอดได้ทนได้ใครด่าว่าเสียดสีมาเราก็ไม่ห ว, วั่นไหวไม่โกรธไม่เกลียดอย่างนี้นะบาปก็ไม่เกิดขึ้น น, นี่ไม่ได้ทําบาปด้วยกายใครก็ไม่ไปทุกข์ไปตีไปฆ่าไปฟันใครอ ความทุกข์ก็ไม่เกิดจากวาจาไปด่าไปแช่งไปเสียดฟูดเสียดทีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ให้พึ่งพาการกำหนดรู้ให้พึ่งอดพึ่งทนการทำความเพียรนนะ่ะเมื่อเราฝึกหัดจิตใจให้สงบระงรับ จากนิวรณธรรมทั้งหา้าได้ความง่วงเงาก็ไม่มีความฟุ้งซ่านความลาคาญความสงสัยเรื่องบาปบุญกุลโทษก็ดับไปแล้วอย่างนี้มันก็ยอมเป็นบ่อกเกิดของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสอนจิตใหละทันหาความอยากให้ร่างกายอันนี้ มีกำลังแข็งแรงให้โรคภัยคเจ็บเป็นหายไปไม่ให้มันตายง่ายง่ายให้มีอายุยั่งยืนนานสืบต่อไปไอ้ตัณหาเหล่านี้ก็ดับลงถ้าเราอดเราทนได้นะมเมื่อตัณหานี่ ความอยากทางจิดใจมันดับลงแล้วใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในวันนี้นะไอ้ร่างกายนี่มันจะวิบั ต, แติแปรปวนไปอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของมันอืหัดอดหัดทนหัดปล่อยหัดคลางสเสมอไปอย่างนี้นะมันจึงพ้นทุกข์ได้นะให้เข้าใจแต่เราไม่อดไม่ทน อดกั้นต่อทุกขเวทนาไม่อดทนต่อความอยากความปรารถนาไปในอารมณ์ในความต้องการต่งางนา น, นาดังกล่าวมาน้นะอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงยิ่งห่างไกลต่อพันิพานดังนั้นนะ่ะ เราได้มีศรัทธาปฏิบัติรรมาถึงได้มีศรัทธาทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรามีจิตศรัทธาไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นอย่าไปถอยหลัง เพราะในไหนเราถ้าเราไม่ทำความเพียรในชาตินี้อา้าชาติต่อไปก็จัดตึกก็จะปร ะ, ประกอบไปด้วยทุกอยู่อย่างนี้แหละอา่าจะถูกตัณหามันครอบงำจิตใจเอาใจก็จะเป็นทุกข์เพราะความอยากจะเป็นเป็นผู้หิวเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มจักพอในโลกอันนี้ อยู่อย่างนี้แหละชาติใดก็ตามถ้าบุคคลไม่เพียรพยายามละปัญหาไม่พยายามอดทนรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างว่านั่นน่ะทุกข์มันก็ต้องติดตามจิตใจไปอยู่อย่างนั้นในชาตินี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังกายกำลังใจ แข็งแรงเข้มแข็งพอโดยอาศัยบุญคุณที่เราทํามาแต่ก่อนบ้างที่เรากระทาเอาในปัจจุบันนี้บ้างเป็นกําลังใจทําให้ใจเข้มแข็งขึ้นมาแล้วอย่างนี้เนะีอยเราก็ต้องเอาสิทำความเพียรลงไปอย่าไปโยท้อเลยเราได้บุญคุณเป็นกําลังแล้วไม่ต้องหวนไว ต่อสุกต่อทุกไม่ต้องวันไว้ต่อตันหาที่มันลบควณจิตใจให้อยากนู้นอยากนี่เนี่ยแล้วก็อดทนไม่คิดไม่อยากไปตามมันพอเห็นว่าสิ่งที่ตนอยากได้ปรารถนานั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่ทนยากล้วนแต่เป็นอนัตตา ไม่ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แล้วพแตกดับไปมันจะเป็นอย่างหยาบก็ดีอย่างละเอียดก็ดีอย่างประณีตก็ดีมันก็มีสภาพเกิดขึ้นแล้วแปลผนแตกดับไปเหมือนกันหมดเลยให้เข้าใจอย่างนี้นี่เป็นความจริงแท้ๆนะ ทำไมเราจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงอันนั้นเล้วซสอนใจเข้าไปน่ะให้เหตุที่ใจมันจะวีมุตหลุดพ้นไปจากความยึดความถือเหล่านี้นะก็เพราะเอาใช้ปัญญาสอนอยู่อย่างนี้นะให้เข้าใจไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วเฉยๆเลยเรื่อยอยู่นั่นนะ่ะถ้าทำอยู่นั่นมันก็ หลุดพ้นไปไม่ได้จิตนี่นะเพราะว่าจิตที่นิ่งอยู่เฉยๆน่มันเพียงแต่ว่าทับกิเลสอยู่เท่านั้นเองนะอกิเลสแท่มันมันยังโผอยู่ในจิตนี่แหละอแต่ว่าเมื่อเมื่ออํานาจแห่งสมาธิมันยังมีอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ จเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเราใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองเข้าไปดังกล่าวมานี่แหละสอนบ่อยๆเข้ามันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นนะรู้ว่าเป็นจริงเออทุกข์นี่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ควรววนไว้ไปตามมันจริงอย่างนี้นะมันรู้ชัดขึ้นในใจอย่างนี้เรามันก็ทำได้สิ มันก็อดทุกทนได้จิตนี่นะ่ะมันเป็นอย่างนันแล้ปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าตัณหาให้ละตัณหานี่มันก็รู้ชัดขึ้นมาว่าโอ้ตัณหาความอยากในหัวใจนี่ควรละแท้ๆถ้าไม่ละแล้วก็ไม่พ้นทุกข์ทิ้งๆนะมันก็เห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนี้นะ เมื่อมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ละความอยากอันนั้นได้อืเช่นอย่างเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุนแรงขึ้นมาก็ไม่แล้วไม่คิดทำอย่างไรหนอะร่างกายนี้จึงจะหายเอทําอย่างไรโรคภายในจึงจะหมดหายไปจากร่างกายนี้เราจะไปพึ่งใครหนออเมื่อไรหนอหมอถึงจะมาเยียวยารักษาให้ ไม่ไม่ต้องวิตกไปเลยมันนี่ไม่แล้วมแม้จะวิตกไปได้จะเกิดความอยากความคิดขึ้นอย่างนี้ถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันเกิดจากกรรมจากเวรเวรกรรมตามมาสนองเอาแล้วแม้จะอ้อนวอนสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆมาช่วยเหลือหรือหมอวิเศษอะไรมาช่วยรักษาเยียวยามันก็ไม่หาย ดังนั้นนะเรามาพูดกันเรื่องที่มันจะพ้นทุกนี่แหละให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าพูดอย่างอื่นไปมันห่างไกลจากความพ้นทุกชีวิตนี้หันดังห้านี่เป็นก้อนทุกพระพุทธศาสน า, าจึงจะทรงแสดงไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับอันนี้เราก็ควรเอาไปคิดไปพิจารณาด้วยปัญญาเมื่ออบรมจิตให้เป็นตั้งมั่นลงไปแล้วก็เอาเรื่องทุก์นี่พิจารณาดูซิเหมือน ที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เนี่ยทุกเท่านั้นเกิดขึ้นก็คืออะไรเกิดขันห้าแล้วเกิดเนียขันนาเกิดขึ้นแล้วมันก็วิบัติแปลโวนไปทนได้ยากลําบากอยู่นี่นะเหตนนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจริงว่าก้อนทุกหรือว่ากองทุกขันห้าอันนี้นะมันไม่ใช่เป็นของดีงามอะไรนะ ไม่ไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรเนี่ยพูดถึงขั้นทำขั้นละเอียดนะต้องเห็นอย่างนี้แต่ถ้าถ้าพูดถึงทำขั้นกลางหรือขั้นหยาบลงไปขันห้านี่มันก็นยังพอมีคุณอยู่อาศัยขันห้านี่เราจึงได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ ถ้าไปได้ใส่แปอาศัยขันห้าอื่นแล้วจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจนตลอดได้มักได้ผลไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนไปแต่ว่าตอนที่มันจะหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นขันหน้านี่เป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร ที่ว่าขันหานี่สมมติปัญญาติว่าเอาสังหาะแต่ถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงได้ไดแล้วก็ก้อนทุกขั้งก้อนเลยขันหนอันนี้พระพระเจ้ามีพระพระสงค์ให้บริษัทของพระองค์พิจารณาให้เห็นขันหนานี่เป็นก้อนทุกข์ตามเป็นจริงดังนั้นเราต้องพิจารณาเห็นตามที่พระองค์แนะนำสั่งสอน การตั้งอยู่ของขันห้ามันก็ตั้งอยู่ด้วยความยากความลำบากอย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงมันวิบัติแปรปวนอยู่เสมอเหตุนั้นถึงแม่ว่าขันห้านี่มันยังตั้งอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีเพลิดเพลินเพราะว่าเมื่อมันถึงค่าววิบัติมาแล้วมันไม่มันไม่มองหน้าใครเหมือนาะว่างั้นเนี่ยมัน มันไม่เป็นไปตามใจหวังมันแปลพวนไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันตามกฎของมันเนี่ยไอย่างนี้นะจะไม่ทำความรู้เท่าอย่างไรแล้วว่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเมื่อขันน้านี่มันเป็นปกติสุขมันไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินได้นอนหลับ เต็นสามศอกออกสามวาก็ถือว่าตนนั้นสบายตนมนันตนนันไม่มีทุกข์ก็มีแต่มัวแต่เมาแต่เพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทัางๆไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันสำคัญว่าร่างกายนี่เที่ยงยั่งยืนหรือแข็งแรงแล้ว มันก็มองเห็นรูปเสียงเป็นต้นหล่านั้นสวยงามน่ารักน่าชมเชยน่าปราถนามันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารูปรูปมันเป็นคู่กับตาเสียงมันเป็นคู่กับหูจ ะ, ะกลิ่นมันเป็นคู่กับจมูกรดเป็นคู่กับริน สัมผัสเจ็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นคู่กับร่างกายอันนี้เมื่อจิตนี้รักให้พอใจร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไปรักให้พอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นเช่นเดียวกันเมื่อจิตปล่อยวางความรักความใคร่ ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้แล้วมันก็ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสภายนอกนั้นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับรูปเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกะมายจิตนี้นะ นี่แหละเ ร, เราพิจารณากันดูสินี่แหละทางพ้นทุกข์นะขอให้พากันเข้าใจทำอเอาเสียรเรามีชีวิตเป็นอยู่ในชาตินี้บุญกรรมตกแต่งมาให้เราทำความเพียรเพื่อให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงเพื่อละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเพื่อ ให้เรารู้ความดับทุกว่าดับตรงไหนแน่นอนนี่เราจะได้รู้แล้วเอาตันหามันเกิดจากความรู้สึกอันนี้เมื่อตันหาดับไปแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็มันก็ไม่มีทุกข์มันก็มีแต่ความสุขเท่านั้นเองไม่โศกเศร้าเสียใจไม่กระวนกระวายอะไรเลยอย่างนี้นะความรู้สึกคือดวงกิจนี่ความทุกข์มันก็ดับจากความรู้สึกอันนี้แหละ จิตดวงนี้ไม่กมวลกระวายแล้วก็แสดงว่าจิตดวงนี้ไม่เป็นทุกข์ไอ้ส่วนร่างกายนั้นน่ะจิตจะรู้เท่าอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอืมมันก็แปรปวนไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันให้เข้าใจมันถูกต้องแล้ววันนี้การที่เราทําความเพียรอย่างว่ามานั่นแหละเจริญสินสมาธิ ป, ปัญญา ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วแน่นอนเนี่ยบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญขึ้นเกิดขึ้นอรักษาศีลก็เป็นบุญกุศลทําสมาธิก็เป็นบุญเป็นกุศลเจริญปัญญาก็เป็นบุญเป็นกุศลละเอียดขึ้นไปคือว่าบุญกุศล น, นี่มันละเอียดกลัวกันขึ้นไปเป็นชั้นชัน้บุญกุศลเกิดจากการรักษาศีล มันก็ละเอียดกลัวการให้ทานนั่นไปอีกจนกําจัดความโกรธได้แหละพูงง่ายๆความโกรธยอมระ ง, งับไปจา ก, กจิตใจนี่แต่แต่ว่ารากมันยังอยู่ดอกแต่มันระ ง, งับไปอแต่มันระ ง, งับความโกรธไปแต่จิตยังไม่ สงบระงับได้ได้เพราะเพียงแต่ความโกรธระงับเท่านั้นมันยังมีความวิตกวิจารณ์ไปในเรื่องอื่นเช่นเรื่องที่จะให้เกิดความรักใคร่พอใจนึกเรื่องที่จะให้เกิดความเศร้าโศกเอความพิไลําพันธ์ต่างๆอย่างนี้นะมันยังมีอยู่ ความคิดที่จะให้เกิดความสงสัยลังเลนี่ความรู้สึกเกี่ยวกับความอ่อนแอท้อแท้ท้อใจเมื่อเกิดความอ่อนอกเกิดความอ่อนแอท้อแท้แล้วความว่งเหงาเหาหนอนมันก็มีมาอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลำพังแต่ความโกรธมันลังงับไปเท่านี้แล้วกิเลสอื่นมันยังมีอยู่ ดังนั้นเราจึงตง้องเพ่งจิตนี้เข้าไปให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อบุญกุศลมันจเจริญขึ้นในจิตนี้แล้วให้ความรักความชังความง่องเงาเฮานอนมันความพุ่งส่้นลำคาญของ จ, จิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญกุลโทษมันก็ดับไป มันดับไปได้อย่างนี้นะนี่ลนะอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เป็นบุญกุศลการเจริญทานศีลสมาธิปัญญาอันนีนะ้มันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจิตใจเมื่อบุญกุศลมีกำลังกล้าขึ้นมันก็ขัดจัดกิเลสอันหมกมุ้มอยู่ในจิตใจนี้ออกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่านี้ว่ามาว่ามานี่แหละ อา้าวอย่างความว่าเหงาห้านอนอย่างนี้นะเอเมื่อมีกําลังใจเข้มแข็งเราไม่นอนก็ได้อันนี้เรียกว่าการฝึกจิตนี่นะฝึกให้มันเข้มแข็งเราหมายความว่าจิตอยู่เหนือโลกเมื่อมันเข้มแข็งพอแล้วนะจิตอยู่เหนือความรักความชังอความโกรธความมัจยบาบรรค คิดอยู่เหนือความว่องเหงาห้าวนอนอคิดอยู่เหนือความฟุ้งซ่านรําคาญเพียงแต่คิดวิถกวิจารณ์ไปในเรื่องราวต่างๆแต่ไม่รําคาญใจไม่เสียใจนี่เราธรรมดาแหละการคิดการงานต่างๆมันจําเป็นต้องคิดแม้จะรู้ยิ่งเห็นแจ้งอย่างไรเพราะยังอาศัยโลกอันนี้อยู่ มันก็จจำเป็นต้องคิดต้องพิจารณาแต่ท่านไม่รำคาญใจไม่เสียใจไม่ดีใจกับความคิดนั้นอย่างนี้นะเนี่ยจึงเรียกว่าจิตใจอยู่เหนือโลกมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เราจะว่างไงบะนี้อือ ก็เราดําเนินปฏิบัติทางจิตใจไปอย่างนี้มันก็รู้เองขึ้นมาออจิตเรามันเป็นอย่างนี้มันดําเนินมาอย่างนี้มันมันก้าวมาอย่างนี้อเราก็รู้เองขึ้นมาในใจเป็นอย่างนั้นรู้เองเห็นเองขึ้นในปจัจจุบั น, นที่เราพิจารณาอยู่ยอมรู้ยอมเห็น ตัวตนตัวตนเองขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้พากันปฏิบัติทำความเพียรให้รู้เองเห็นเองขึ้นมาในธรรมของจริงดังที่นำมาชี้แจงแสดงถู่ฟังนี้บัดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้